ขอนอบน้อมแ ด, ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตต ะ, ะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันนาพระอมราทิรกิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรสนาต่อไปจะเป็นการแสดงเรื่องของข้อวัดต่างๆจะแสดงวัดสิบสี่ตั้งแต่อาคันตุกะวัดไป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 ถ้าที่ถูเจ้าอาวาสหรือว่าเจ้าถิ่นนั้นแก่กว่าก็พึงกราบเธอถ้าเธอหนุ่มกว่าก็พึงให้เธอไหว้ตนพึงถามเสนาสนะว่าเสนาชนะไหนถึงแก่ข้าพเจ้าพึงถามว่าเสนาสนะกูดีนั้นภิษูได้อยู่บ้างหรือไม่ได้อยู่พึงถามโครจรคามที่พิขาจารว่าใกล้หรือไกลจะต้องเข้าไปช้าหรือสายพึงถามที่อะโครจร คือบ้านแห่งวิชาทิฐิและบ้านที่เขากําหนดพิสูจนให้แต่น้อยเพียงทัพพีหนึ่งหรือให้แต่องหนึ่งสององพึงถามเสตระกูลซึ่งสงสมมุติไว้สําหรับตระกูลที่ยากจนแล้วก็เป็นพระอริยะซึ่งสงสมมติไว้พึงถามที่ถ่ายอุจระถายตัสสาวพึงถามน้ําใช้น้ําฉันว่า ทั้งใช้อาบทั้งฉันใน s ะโบกขอรณีเดียวกันนี้หรือพึ่งถามไม้เท้าและกะติกาแห่งสงที่ตั้งไว้ในที่บางแห่งสัตว์ร้ายหรือว่าอามนุษย์มีอยู่เพราะเหตุนั้นพึงถามว่าจะพึงเข้าเวลาใดออกเวลาใดถ้ากวดีร้างอยู่พึงเคาะบานประตูหยุดคอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วชักสลักผลักบานยืนอยู่ข้างนอกและดูทานแห่งงูหรืออมนุษย์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 ตั้งต้นแต่ขนหรือเครื่องราดพื้นออกและปฏิบัติดังในเสนาสนาวัตซึ่งจะกล่าวข้างหน้าจนถึงว่าถ้าน้ําในหม้อน้ําชําระไม่มีใสพึงตักมาไว้ดังนี้นี้แหละเป็นวัดแห่งปริศตุผู้เป็นอาคันตุกะอาคันตุกะพึงปฏิบัติด้วยดีถ้าอาศัยความไม่เอื้อเฟือในที่จะจะปฏิบัติตามต้องทุกข์กดในขณะปลงจิตเสียว่าจะไม่ทําตาม ให้พึงรู้ดังนี้ไปทุกๆวัดเถออาคันตุกะวัดตังจบจะกล่าวในอาวาสิกวัตวัดของพิสูผู้เป็นเจ้าถิ่นในอาวาสิกวัตความว่าพิสูุเจ้าอาวาได้เห็นพิสูแก่กว่าตนมาพึงปูอาสนะตั้งน้ําล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้คอยท่าแล้วลุกไปรับบาจีวร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 และพึงบอกโคจรคามและที่ใช้โคจรและเศรษฐกูลซึ่งได้สมมุติแต่สง์และบอกที่ถ่ายอุจระที่ถ่ายปั ส, สวะและน้ำฉันน้ำใช้และไม้เท้าและบอกกติกาสง์ที่ตั้งไว้ว่าพึงเข้าในการนี้ออกในการนี้ดังนี้ข้อซึ่งอาคันตุกะผู้แก่กว่ามาถึงแล้วแม้ทาจีวรกรรมหรือนวรกรรมอยู่พึงหยุดเสีย ทำวัดทั้งปวงเถิดเมื่อกวาดลานเจดีย์อยู่พึงเก็บไม่กวาดเสียตารวะเพื่อจะทําวัดแก่ผู้แก่เถิดถ้าอาคันตุกะเป็นผู้ชราก็จักกล่าวว่าท่านจงกวาดลานเจดีย์ไปก่อนเถิดแต่เมื่อทํายาแก่ที่สุขให้ยอยู่ถ้าว่าไข้ไม่หนักไซยาเพึ่งทํำยาพึงทําวัดแก่อาคันตุกะก่อนถ้าเป็นไข้หนักพึงทํายาก่อน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 เมื่อห้ามเป็นที่ทำรบสามพึงวางพัดเสยเถิดพึงล้างเท้าให้อาคันตุกะด้วยถ้าน้ำมันของตอนมีพึงเอาทาเท้าให้ถ้าไม่มีพึงเอาน้ำมันของอากันตุกะนั้นทาให้ซึ่งเช็ดรองเท้านั้นพึงทำตามชอบใจตนเถิดแม้ไม่เช็ดให้ก็ไม่เป็นอบัดเพราะในบาลีกล่าวว่าเมื่ออุสาหะอยู่พึงเช็ดให้ซึ่งว่าอาคันตุกะถามหาเสนาชนะ จะปูราาปัดกวาดแล้วบอกให้ควรอยู่อันนี้ว่าด้วยอาทันตุกะแก่กว่าในอาทันตุกะอ่อนกว่าตนพึงนั่งอยู่บนอาสนะบอกว่าท่านจงถือเอาน้ําฉันนั้นฉันเธอ ด, ดังนี้เป็นต้นไปแม้อาวาดใหญ่อาทันตุกะมาถึงสํานักตนจะไม่ทําวัดนั้นไม่ได้อันนี้เป็นวัดแห่งทิสุเจ้าอาวาาก็คือเจ้าทินทิสวดเจ้าวา่าพึงประพฤติด้วยดีเถิด อาวาสิกกวัดตังจบจะกล่าวในคำิกวัตวัดที่สามในคำิกวัตความว่าคำิกะภิกษุคือภิกษุผู้ที่เตรียมจะออกจากอาวาสนั้นไปภิกษุจะออกจากอาวาสไปเอื่นพึงเก็บเครื่องไม้เป็นต้นว่าเตียงตังซึ่งเป็นของสงและเครื่องดินแล้วติดประตูหน้าต่างมอบหมายเสยนาสนัเสก่อน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 เมื่ออาจจะมุงได้อยู่พึงมุงเสียรหรือพึงทำอุตสาหะว่าชไ น, นจะพึงมุงได้ถ้าได้อย่างนี้เป็นการดีถ้าไม่ได้ไส่พึงตั้งเตียงบนก้อนศิลาสี่ก้อนในโอกาสที่ฝนไม่รั่วได้แล้วลำดับไว้ดังก่อนเธอถ้ากุฎีวิหารทั้งหมดฝนรั่วได้อาจจะนำไปได้อยู่ก็พึงนาเสนาสนะไปฝากไวในบ้านหรือพึงทำอุตสาหะว่า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 ยังไงยังไงก็จะเหลืออยู่พระศุมาภายหลังก็จะไปทําจริงทาตังได้อีกดังนี้ซึ่งจะต้องมอบหมายเสยนาสนะนั้นว่าด้วยเสยนาสนะแล้วด้วยยญ้าและใบไม้เป็นที่ควรปลวกจะขึ้นได้เสนาสนะใดเขาทําบนหลังศีลาหรือว่าบนเสาศาีลาในที่ใดปลวกขึ้นไม่ได้เสนาสนนั้นแม้จะไม่บอกกล่าวมอบหมายก็ไม่เป็นอบัติอันนี้แหลเป็นวัด แห่งคำนิจการพิกษุคำนิจการพิกษุเพิงปฏิบัติด้วยดีเถิดคำนิจกาวัดตังจบสำหรับพิสูจผู้เตรียมจะเดินทางออกจากวัดไปยังที่อื่นต่อไปจะกล่าวในอนุโมทนาวัดวัดที่สี่นะในอนุโมทนาวัดข้อหนึ่งทรงอนุญาตไว้ว่าเราตาถาคตอนุญาตให้อนุโมทนาในโรงฉันข้อหนึ่งทรงอนุญาตว่า ให้ภิกษุผู้เป็นเถระอนุโมทนาในโรงฉันข้อนหนึ่งทรงอนุญาตว่าให้ภิกษุผู้เป็นเถราอนุเถระสี่รูปห้ารูปคอยท่าอยู่ในโรงฉันในอัตถกฐาว่าพราะสังฆเถระนั่งอยู่เพื่อจะอนุโมทนาถัดตรงไปพึงนั่งอยู่สี่องค์โดยลาดับเมื่ออนุเถระนั่งอยู่เพื่ออนุโมทนาให้พระมหาเถระ กับถัดลงไปอีกสามองค์นั่งคอยท่าอยู่เมื่อเทระที่ห้านั่งอยู่เพื่ออนุโมทนาให้พระเทระสี่รูปข้างบนนั่งคอยท่าอยู่เมื่อพระสังฆเทระเชื้อเชิญให้ภิกษุณมนั่งอยู่ข้างล่างอนุโมทนาตั้งแต่สังฆเทระลงไปสี่รูปพึงนั่งคอยท่าอยู่ท่าแลภิกตุผู้อนุโมทนากล่าวว่า ท่านจงไปเถิดกิจจะพึงคอยไม่มีดังนี้สายจะไปก็ควรท่านสายอนุมทนาก็ให้อยู่เป็นเพื่อนสี่ห้ารูปเมื่อมหาเถระกล่าวว่าเราจะไปท่านจงอยู่เถิดผู้อนุโมทนากล่าวว่าท่านจงไปเถิดแม้ดังนี้ก็ควรคอยท่านตัดใจก่อนก็ได้ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนก็ได้แม้ใส่ใจว่าเราจะไปคอยอยู่นอกบ้านไปนอกบ้านแล้วแม้จะสั่งบิสตุผู้ติดของตน ให้ค่อยถ้าผู้อนุโมทนาอยู่แล้วและไปก็ควรถ้าแลกระหัตเขาเชิญพิจุรูปหนึ่งให้อนุโมทนาตามชอบใจของเขาเธอนั้นเมื่ออนุโมทนาก็ไม่เป็นอบัตและไม่เป็นภาระอยู่แก่รดัมหาเถระด้วยว่าในอุ ป, ปัสนิสินนกคาถาอย่างเดียวก็คือคาถาของบุคคลที่เข้ามานั่งใกล้เนี่ยนะมานั่งใกล้มาถามปัญหาต่งตางๆเนี่ย เมื่อมนุษย์เขาเชื้อเชิญให้แสดงต้องบอกพระเถระก่อนแต่ว่าอนุโมทนานิพพิตไายอนุโมทนานี้ให้เป็นพระแก่พระเถระด้วยแล้วก็แสดงก็ไม่เป็นอาบัตเมื่ออนุโมทนาซึ่งต้องคอยเท่านั้นแต่พิกสุที่พระมหาเถระเชื้อเชิญให้อนุโมทนาอย่างเดียวจึงรอคอยต้องรอคอยสี่ห้รูปเนี่ยเมื่อพระมหาเถระเชื้อเชิญให้อนุโมทนาเนี่ยต้องรอคอยเป็นเพื่อน นี้แหนเป็นลักษณะในวัดอันนี้ข้อหนึ่งทรงอนุญาตไว้ว่าภิกษุซึ่งคอยท่าอยู่นั้นเมื่อกิจเป็นต้นว่ากลั่นอุจจาระมีขึ้นให้บอกลาภิกษุซึ่งนั่งอยู่ในลําดับก่อนแล้วจึงไปอันโมทนะวัดต่างก็จบต้นเหตุก็สารีบวุดด่วนนโมทนารถิสุทั้งหลายก็กลับหดเลยต่หลังว่าสารีบวุรก็กลับมารูปเดียวแล้วนั้นเองไม่มีใครมาเป็นเพื่อนพุทธเจ้า ก, ก็เลยบัญญัให้มีผู้ที่คอย เป็นเพื่อนบ้างเพื่อพระวิสุกธ์ใหม่นี้จะควยเคินหรือว่าจะกรดาษหรือว่าจะอะไรต่างๆต่อไปจะกล่าวในพัฒทกวัดวัดิีห้านะในพัตทกวัดวัดในโรงฉันความว่าถ้าเขาเข้ามาบอกพัตการในอารามนิมนต์ให้ไปยังโรงฉันพึงปิดกายให้เป็นปริมนทนสามนุ่งให้เป็นปริมนทนภูกประกตเอว ซอนผ้าสังคาติกับอุตราสง์เป็นสองชั้นหมกลัดรังดุมถือเอาบาทแล้วยาดวนพึงค่อยเข้าไปในบ้านด้วยดีในอาตกรถาว่าในภายในบ้านถือวัดก็าตามเมื่อจะไปยังที่อังคาตฉันแห่งมนุษย์หมคลุมผูกประกคตเอวจึงขวรแม้กระทั่งในวัดเพราะฉะนั้นไปยังที่อังคาดหัว่าไปรับบาต ท, ที่บ้านของโยมที่อยู่ในวัด ก็ตามหรือว่าถ้ามีแม่ชียอยู่ไปรับอาหารเลยทั้นี้ก็ต้องห่มคลุมไปปูกประคดเอวด้วยเมื่อเดินไปอย่าลีกขึ้นหน้าพิสูผู้แก่พึงปิดกายด้วยดีเดินไปในระแวกบ้านรักษาเสกียวัตทุกข้อจนถึงอย่าเดินกระโยงเท้าในระแวกบ้านเมื่อนั่งในระแวกบ้านพึงปิดกายด้วยดีรักษาเสกียวัตทุกข้อจนถึงอย่านั่งรัดเขา่า อันหนึ่งอย่านั่งเบียดชิดภิกขุผู้แก่ถ้าอาสนะเสมอกับด้วยอาสนะพระมหาเทระนั่งอยู่เมื่อที่นั่งมีมากก็พึงเว้นไว้ที่หนึ่งสองที่นั่งให้ไกลในอาสนะเขานับภิกขุปูวไว้คือเว้นไกลไม่ได้นะเพราะว่านับไว้ครบจํานวนทัดีภิกขุหนุ่มไม่นั่งพระมหาเทระบอกให้นั่งก็พึงนั่งเธอถ้าเกิดบอกกนะ หรือว่าไม่บอกไม่นั่งเนี่ยพระเถระรู้ก็บอกว่านั่งเถอะไม่เป็นไรก็นั่งได้นะถ้าพระมหาเถระไม่บอกใส่ก็พึงพูดว่าอาสนะนี้สูงขอรับถ้าพูดอย่างนี้แล้วเมื่อพระมหาเถระบอกให้นั่งก็พึงนั่งเถิดถ้าแม้บอกอย่างนี้ไปแล้วพระมหาเถระไม่บอกให้นั่งก็คือท่านไม่รู้่นะถ้าเกิดมาดีเรียนพระวินัยมาอันี่ก็ท่านไม่รู้ไม่ได้บอกให้นั่ง เมื่อนั่งลงก็ไม่เป็นอาบัติถ้าบอกว่าอาสนะนี่ถูกนะครับนั่งลงก็ไม่เป็นอาบัติเป็นอาบัติแก่พระมหาเถระผู้เดียวด้วยว่าได้อาสนะเช่นนี้พิกตูนุมไม่บอกก่อนแล้วนั่งลงนี่เป็นอาบัติเหมือนกับพระมหาเถระพิกตูนุมบอกแล้วไม่อนุญาตต้องอาบัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพระตูนุมไม่บอกก่อนนั่งอาบัติถ้าบอกแล้วพระเถระไม่อนุญาตพระเถระก็อาบัติเหมือนกัน อันหนึ่งอย่าพึงห้ามกานอาสนะพิกตุนมและอย่านั่งทับผ้าสังาติในละแวกบ้านเมื่อเขาถวายน้ํากรอกบาดพึงประคองบาดด้วยมือทั้งสองรับน้ําด้วยความเคารพก็คือมีสติสัมชั ญ, ญนนะเนี่นะเคารพไม่ได้ไปทําความเคารพน้ำหรอกแต่ว่าก็มีสติสัมชัญยะในการรับก็คือทําความใส่ใจในการรับน้ํานั่นเองอย่าให้กระทบ กรอกบาดด้วยดีถ้ากระโถนมีพึ่งเทลงในกระโถนด้วยความเคารพก็ดว้วยการมีสติตั้งใจอย่าให้น้ำกระทบกระโถนกระเด็นขึ้นถูกพิสุผู้นั่งอยู่ใกล้ๆและถูก้าสังาติถ้ากระโถนไม่มีพึ่งเทลงในดินด้วยความเคารพอย่าให้น้ำกระเด็นถูกพิสุนั่งใกล้และถูก้าสังขติเมื่อทะยกถวายผ้าสุกพึงประคองบาทด้วยมือทั้งสองรับข้าตสุกเถิด พึงไว้โอกาสเพื่อสูปะแกงกับถ้าเป็นเนยใสยหรือว่าน้ำมันหรือว่าแกงพระเถระพึงว่ากับทายกว่าท่านจงให้เสมอกันไปแก่พิจุทั้งปวงแต่ถ้าของน้อยพอแต่พิจุรูปหนึ่งหรือว่าสองรูปเท่านั้นรั้นว่าจะให้ทั่วไปก็เป็นการเบียดเบียนทายกเพราะเหตุ น, นั้นพึงรับของนั้นแต่คราวเดียวหรือสองคราวเหลือนั้นอย่ารับ พึงตั้งสติและมีความสำคัญอยู่ในบาตรรับบินทบาตพึงรับแกงถั่วเท่าส่วนที่สี่แห่งบินทบาตพึงรับบินทบาตรเต็มเสมอขอ บ, บาตรข้างล่างจังหันยังไม่ทั่วถึงแก่ภิกตุทั้งปวงตราบใดเพราะเถระอย่าเพิ่งฉันก่อนข้อนี้อาศัยโรงฉันเล็กภิกตุมีกำหนดถือโรงฉันที่ใดถ้ายกเขาปรารถนาจะถวายให้ทั่วแล้วจะไหว้ภิกตุด้วย แต่โรงฉันใหญ่ในที่แห่งหนึ่งที่สุฉันอยู่แห่งหนึ่งเขาถวายน้ําอยู่ในโรงฉันเช่นนั้นพึงฉันตามสบายเถิดพึงฉันบินตบาตตั้งสติปฏิบัติตามเสกียวัตรทุกๆข้อจนถึงมือเปื่อนอามิตรอย่าจับอย่ารับภาชนะน้ําอันหนึ่งที่สุดทั้งปวงยังฉันไม่แล้วปราบใดพระเถระอย่าเพึ่งรับน้ําล้างบาปก่อน เมื่อทายกถวายน้ำล้างบาทพึงประคองบาทด้วยมือทั้งสองรับมาล้างบาทปฏิบัติดังกรอกบาท ก, ก่อนนั้นเถิดและอย่าพึงเทน้ำล้างบาททั้งเมล็ดข้าวลงในตะแวกบ้านเมื่อจะกลับจากโรงฉันพิสตูนมพึงกลับก่อนพระเถระพึงกลับที่หลังคือว่าด้วยว่าเป็นเรือนแค่โอกาสที่พระเถระออกไม่มีพึงปฏิบัติดังนี้เมื่อออกมาดังนี้แล้วพิสตูนมพึงยืนอยู่ที่ประตูเรือน ครั้นพระเถระออกมาจึงไปตามลาดับถ้าแลพระมหาเถระนั่งอยู่ใกล้พิกตุนุมนั่งอยู่ภายในเรือนพึงออกตามลําดับตั้งแต่อาสนะแห่งพระเถระอย่าให้กายต่อกายกระทบกันเดินให้เป็นแถวไว้ระยะห่างพอมนุษย์เดินได้ในระหว่างพึงปิดกายด้วยดีเดินไปในระแวีบ้านปฏิบัติตามเสขียวัตรทุกๆข้อจนถึงอย่าเดินกระโยงเท้าในระแวีบ้านนั้นเถิด นี้แหละเป็นวัดในโรงฉันให้พิษุพึงปฏิบัติด้วยดีดังนี้ในโรงฉันเถิดพักตัดพะวัดปางจบในเรื่องของการปฏิบัติในโรงฉันซึ่งปกติแล้วโรงฉันก็ในครั้งก่อนนู้นจะอยู่ในระแวกบ้านปัจจุบันนี้เราก็มาฉันที่วัดกันทั้งนั้นน่ะต่อไปจะ ก, กล่าวนายปินดัจจาริกวัดวัดข้อที่หกนะ ในปินดะจาริกวัตความว่าภิกษุผู้จะเที่ยวไปเพื่อบินธบาตคิดว่าเราจะเข้าไปยังบ้านในการนี้แล้วพึงปิดกายให้มีมนทนสามนุ่งให้เป็นปริมนทนผูกประกตเอวตอนผ้าสังคติกับอุตราสงค์เป็นสองชั้นโงมคลุมกลัดังดุมล้างบาทแล้วถือเอาบาทยาดวนค่อยเข้าไปในบ้านให้ดี พึงปิดกายด้วยดีเดินไปในระแวกบ้านปฏิบัติตามเสกเขียวัดสําหรับเข้าระแวกบ้านทุกๆข้อจนถึงอย่าเดินกระย o n เท้าในระแวกบ้านเมื่อจะเข้าไปยังเรือนพึงกําหนดหมายว่าเราจะเข้าทางนี้ออกทางนี้และอย่าด่วนเข้าไปเร็วนักอย่าด่วนออกเร็วนักอย่ายืนให้ไกลนักใกล้นักอย่ากลับให้ช้านักอย่ากลับให้เร็วนักพึงยือนอยู่กําหนดดูทายก เขาปรารถนาจะให้หรือไม่ให้ถ้าทายกเขาหยุดการงานหรือลุกจากที่นั่งหรือจับทั พ, พีหรือจับภาชนะหรือร้องนิมนต์ให้หยุดอยู่พึงรู้ว่าเขาจะให้แล้วและยืนอยู่เธอเมื่อทายกถวายจังหันพึงแหวกผ้าสังขติด้วยมือซ้ายแล้วก็น้อมบาศออกด้วยมือขวาประคองบาศด้วยมือทั้งสองรับจังหันเธอแต่อย่ามองดูหน้าทายกผู้ถวาจังหัน เป็นตรีหรือบุรุษก็ตามอันนี้ก็คงจะแตกต่างจากยุคนี้นะในยุคนี้เราก็จะแหวกสังขติด้วยมือขวาอาบาดออกด้วยมือซ้ายแต่ว่าในครั้งก่อนนั้นก็ให้แหวกสังขติออกด้วยมือซ้ายแล้วก็น้อมบาดออกด้วยมือขวาแล้พึงกําหนดดูว่าเขาจะให้สูปากแกงกับหรือไม่ให้ถ้าเขาจับทพัพทีหรือภาชนะหรือร้องนิมนต์ให้หยุดอยู่ก่อนพึงรู้ว่าเขาจัให้แล้วหยุดอยู่เถิด เมื่อเขาถวายจังหันแล้วพึงปิดบาปด้วยผ้าสังฆติยาดวนค่อยๆกลับให้ดีแล้วรักษาเศรษฐีวัดในละแวกบ้านทุกๆข้อจนถึงอย่าเดินกระโยงเท้าในละแวกบ้านรูปใดกลับแต่บินทบาตจากบ้านก่อนรูปนั้นพึงปูอาสนะไว้ที่โรงฉันปกติปัจจุบันนี้ก็ตอนเช้าเราก็ปูไว้ได้พรอยแล้วที่สี่ที่ห้านะมันกลับมาก็ฉันได้เลยแต่ว่าอันนี้ครั้งก่อนนี้เขาก็ ไม่ได้ปูวนะต่างคนก็ต่างไปเดี๋ยวใครกลับมาก่รก็ต้องปูอสนะไว้ที่รงฉันแล้วก็ตั้งน้ำล้างเท้าต่างรองเท้าและเบื้องสีเท้าไว้และล้างภาชนะรองของฉันตั้งไว้ตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้คอยท่ารูปใดกลับจากบ้านภายหลังถ้าของเหลือฉันมีอยู่จำงจะฉันใช้ก็พึงฉันเถอถ้าไม่จำงจะฉันรูปนั้นก็พึงเอาไปเททิ้งเสีย ในที่ปราศจากของสดเขียวหรือต้นไม้ต้นหญ้าและเอาไปกดเสียในน้ําที่ไม่มีตัวสัตว์เธอ น, น้ำพึงรือเก็บอาสนะและเก็บน้ําล้างเท้าตัาง่งรองเท้ากระเบื้องสีเท้าและล้างภาชนะรองของฉันเก็บเสียเก็บน้ําฉันน้ําใช้และกวาดโรงฉันเสียองค์ใดเห็นหม้อน้ําฉันน้ําใช้ถือว่าหม้อน้ําในเวชกุดีเปล่าอยู่ไม่มีน้ํา องนั้นพึงตักมาตั้งไว้ถ้าผู้เดียวยกไม่ไหวก็พึงปักมือร้องเรียกเพื่อนเป็นที่สองมาช่วยกันหิ้วตั้งไว้แต่เพราะเหตุนั้นอย่าเปล่งวาจาพูดกันเลยนี้แหลเป็นวัดแห่งภิกตูผู้เที่ยวไปบิทฑบาตภิกตูพึงปฏิบัติ ด, ด้วยดีเถิดปินตะจาริกะวัดตังจกปิณตะจาริกวัดประพฤติภ ก, กรข้าวจะมีอันหนึ่งปินตตาตะจาริกะ อันนั้นเป็นทุดงปิณฑปาตจาริกวัตรอันนั้นเป็นธุด ง, าาาด อ, นนดงอันนี้ปินตจาริกวัตรวัดในการบินตบานเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นขันธวัตรในทุดงนั้นอีกเรื้องหนึง่งจะกล่าวในอารัญยิกวัตรวัดข้อที่เจ็ดในอารัญยิกวัตรความว่าสิสุผู้อยู่ป่าพึงลุกขึ้นแต่เช้าเอาบาตรเข้าถุงแล้วเอาสายโยกคล้องในจะงอยลาย ผ้าจีวรบนบาขึ้นรองเท้าแล้วก็เก็บเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูหน้าต่างแล้วพึงลงจากเสนาสนะที่อยู่มารู้ว่าจะเข้าไปบ้านในกาดนี้แล้วพึงถอดรองเท้าตกเสียด้วยเคารพแล้วก็เก็บไว้ในถุงบาเอาสายโยกคล้องในจงอยไหลปิดกายให้มีมวนทนสามนุ่งให้เป็นปริมวลทน ต่อไปพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในปินดะจาริกวัตททุข้อจนกลับมาจากบ้านถ้าน้ำในภายนอกบ้านไม่มีพึงทำพัตกิจในภายในบ้านถ้าน้ำภายนอกบ้านมีพึงออกจากบ้านทำพัฒกิจในภายนอกบ้านแล้วล้างบาททาให้ปราศจากน้าแล้วเอาบาดเข้าถุงคล้องสายโยกในจงอยไหลจีบพับจีวรวางบนศรีรษะ ขึ้นรองเท้ามาอย่างเสนาชนะมีแสดงว่าเขาฉันตรงไหนก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องฉันในแล้บ้าน่ะฉันในแล้บ้านฉันกลางป่าก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมาฉันที่วัดด้วยดูว่าที่ไหนมีน้ําฉันน้าใช้พอจะล้างบาทอะไรได้ก็ฉันตรงนั้นก็ได้อันหนึ่งที่ตูุผู้อยู่ป่าต้องตั้งน้ําฉันน้าใช้ไว้และขาชนะไม่พอก็พึงทําน้ําฉันนั้นเองเป็นน้ําใช้ด้วยตั้งไว้ เมื่อไม่ได้พาชนะพึงเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่เมื่อไม่ได้กระบอกไม้ไผ่พึงให้อนุสัมปันทําหลุมไว้ในที่ใกล้และพึงสุมไฟไว้พึงตั้งไม้สีไฟไว้เมื่อไม้สีไฟมีอยู่แม้จะไม่สุมไฟก็ควรทิ่ตุผู้อยู่ป่านชั้นใดแม้ที่ตุเดินทางกันดารก็พึงปรารถนาไม้สีไฟเหมือนเช่นนั้น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 โจรเข้ามาในป่าเห็นพระพิสุษ์ทั้งหลายก็มาขอน้ำฉันก็อมาไดิ่นตั้งน้ำฉันเอาไว้บอกว่าไม่มีบอกว่าขอยืมไฟหน่อยเอ้าไม่มีไฟอีกวันนี้ดิกอะไรก็ไม่รู้ว่าเดิกอะไรอีกไอ้พวกนี้มาอยู่ป่ายังไงไม่ใช่พระพิกสุตรงมังก็เลยทําร้ายพระพิกสุเลยนี้ไม่เกือ้อกูลอะไรแก่พวกโจรบ้างเลยนี้แหละเป็นวัดแห่งพิกสุผู้อยู่ป่าพิสุผู้อยู่ป่าพึงปฏิบัติ ด, ดังนี้เถิดอารันยิกะวัดต่างจบ ต่อไปจะกล่าวในเสนาสนวัตรวัดที่8ปดในเสนาสนวัตรความว่าภิกษุผู้อยู่ในวิหารคือกุฏิใดถ้ากุฏินั้นรบด้วยอยากเยื่อผีว่าอุตสาหะจะชำระได้พึงชำระปัดกวาดเสียเมื่อจะชำระกุฏิพึงขนบาตรและจีวร อ, ออกวางไว้ข้างหนึ่งก่อนแล้วขนผ้านิสิทนะเครื่องลาดบนเตียงตังออกวางไว้ข้างหนึ่งก่อน พึงขนฟูกหมอนออกวางไว้ข้างหนึ่งเตียงต่างพึงทําโดยความเคารพอย่าให้กระทบคูดสีบานประตูขนออกด้วยดีตั้งไว้ข้างหนึ่งแล้วขนเขียงรองเท้าเตียงและกระโถนและพนักอิงออกวางไว้ข้างหนึ่งเครื่องลาดพื้นพึงกําหนดที่ปูแล้วขนออกวางไว้ข้างหนึ่งเดี๋ยวเวลาเอามาเก็บก็เก็บไว้ที่เก่าเท่านั้นต้อง กำหนดว่าผลอะไรออกไปจากตรงไหนก็จะต้องออกมาไว้ที่เดิมเป็นเรื่องการมีส ต, ติสชำชัญญาด้วยนะถ้าในวิหารอยากย่ยห้อยย้อยพึงกวาดแต่เพดานลงมาตอนหน้าตาเป็นราพึงเช็ดเสียถ้าฝาเขาทําบริกรรมด้วยโรงและพื้นเขาทาสีดําเป็นราขึ้นพึ่งเอาท่อนผ้าชุบน้ําบิดเช็ดเสียถ้าพื้นเขาไม่ได้ฉาบทาเล่าไส พึ่งเอาน้ำปะพรมลงก่อนแล้วจึงเช็ดอย่าให้ผงฟุ้งขึ้นตกติดกุดีพึ่งกวาดเก็บหยาดเยื่อไปเท เ, เสียที่สมควรอย่าตบเคาะเสนาสนะเครื่องปูลาดในที่ใกล้ทิกสุอื่นและในที่ใกล้วิหารกุดีและในที่ใกล้กล น, กลน้ำฉันน้ำใช้และอย่าตบเคาะในที่แจ้งเหนือลมพึงตบเคาะในที่ใต้ลมเครื่องลาด พืนพึงตากเสียที่สมควรแล้วชำระตบปัดเสียขนกลับเข้าไปปูไว้อย่างเดิมเขียงรองเท้าเตียงก็พึงตากเสียแล้วขับเช็ดขนกลับไปตั้งไว้ตามที่เตียงต่างก็พึงตากชำระตบปักเสียแล้วทําโดยเคารพอย่าให้กระทบครูดสีขนกลับเข้าไปไว้อย่างตั้งอยู่เดิม ผูกหมอนผ้านิสีตนะเครื่องลาดบนเตียงตังพึงตาเสร็จแล้วชําระตกปัดเสียแล้วก็ผลกลับเข้าไปไว้อย่างตั้งอยู่เดิมกระโถนพนักอิงก็พึงตางขัดเสียแล้วผลเข้าไปตั้งไว้ตามที่บาทยีวรก็พึงเก็บเสียเมื่อจะเก็บบาทมือข้างหนึ่งถือบาทมือข้างหนึ่งก็รูปใต้เตียงตังแล้วจึงเก็บอย่าวางบาทในพื้นไม่มีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่าวางบาตในพื้นที่ไม่มีของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นต้นว่าใบไม้รองคือต้องมีของรองบาไตไว้ใบนี้ก็มีขาบาตรองอยู่แล้วเมื่อจะเก็บจีวรเอามือข้างหนึ่งถือจีวรเอามือข้างหนึ่งรูบราวจีวรหรือสายระเดียงแล้วเอามือสอดใต้ราวจีวรค่อยๆวางให้ชายจีวร อ, อยู่ข้างในขนดผ้าอยู่ข้างนอกหน้าตัวถ้าลมเจือด้วยผงคลี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 พึงเปิดไว้เพราะว่าลมต่างๆจะได้เข้ามาบ้างถ้าบริเวณและซุมและโรงฉันโรงไฟเวทจะกุดีที่เหล่านี้แห่งใดแห่งหนึง่งรบด้วยหยาดเยื่อพึงกว่าเสียถ้าน้ําฉันน้ําใช้ไม่มีก็พึงตักมาตั้งไว้ถ้าน้ําในหม้อชําระไม่มีก็พึงตักมาไว้ถ้าอยู่ในกุดีเดียวกับพิสูจแก่กว่าไม่บอกพิสูจผู้แก่ก่อนอยากให้อุเทศและปริพุจฉา คือบอกบาลีและอัจกริยอย่าท่องตัวสาธยายอย่าแสดงธรรมอย่าตามประทีปอย่าดับประทีปอย่าเปิดอย่าปิดหน้าต่างแต่ประตูเป็นที่ใช้สอยใหญ่เพราะเหตุนั้นในการปิดการเปิดประตูกิจซึ่งจะต้องบอกพิสุแก่ก่อนไม่มีแต่การให้อุเทนเป็นต้นนอกนั้นต้องบอกผู้แก่ก่อนจึงทาได้จะบอกทุกวันก็ควรถ้าแม้พิษุนูมบอกเีว่า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 ถ้าเดินในที่จงกรมกับที่สุ่ผู้แก่ป่าไซอย่าพึงกลับให้ตกหน้ากับที่สุ่ผู้แก่ป่าและอย่ากระทบกระทั่งที่สู่ผู้แก่ป่าด้วยมุมจีวร อ, อันนี้แลเป็นเสนาสนาวัตทีกสุทั้งหลายพึงปฏิบัติด้วยดีในเสนาสนะดังนี้เถิดเสนาสนาวัดตังจบต่อไปก็เป็นชันตาพรวัดวัดในโรงไฟเป็นวัดที่เก้า ข้อหนึ่งพระองค์ตรงห้ามไว้ว่าในเรือนไฟพิกษุูนมอันพิษสุกผู้เป็นเถระห้ามไว้ไม่ให้ตนฟืนมากอย่าใส่ฟืนเข้าไปมากและอย่าอาศัยความไม่อื้อเฟือขืนตนฟืนเข้ามากติดไฟใส่ฟืนเข้าไปมากนี่ถ้าเธอใดขืนตนฟืนเข้ามากติดไฟต้องทุกข์กฎข้อหนึ่งอย่าพึงปิดประตูนั่งเฝ้าประตูอยู่ ถ้าเธอใดปิดประตูนั่งเฝ้าประตูต้องทุกกอก็คือไปนั่งขวางประตูพระเจระออกไม่ได้ก็เลยทำรัดควันล้มสลบลงความในชันตาคระวัดว่าภิกษุใดไป ย, ยังชันตาคระก็คือเรือนไปเป็นที่ย่างกายให้รำนับโรคก่อนถ้าขี้เท่าในเรือนไปหนามากไซเธอผู้ไปก่อนนั้นพึงเทเสียถ้าเรือนไปและบริพันธ์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 และอย่าห้ามตันอาตนะพิกสุนุม์เท่าอุสาหะไซพึงทําบริกรรมบีดนวดให้พิสุผู้เป็นเทระในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือเอาตัางสาหรับเรือนไฟแล้วปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังออกจากเรือนไฟเท่าอุสาหะไซพึงทําบริกรรมคือขัดสีตัวให้แก่พิสุผู้เป็นเทระในน้ําด้วยและอย่าอาบข้างหน้าที่ตุผู้เป็นเทระทั้งหลายอย่าอาบเหนือน้ําแห่งพระเทระ อาบแล้วเมื่อจะขึ้นพึงให้ทางแก่พระเถระทั้งหลายซึ่งจะขึ้นเธอใดออกจากเรือนไฟภายหลังถ้าเรือนไปเปื้อนเธอนั้นพึงล้างเสียพึงล้างรางสําหรับแช่ดินเก็บตังสําหรับเรือนไปดับไฟปิดประตูแล้วจึงหลีกไปนี้แหลเป็นฉันตาธรวัตรให้พิสูจนทั้งหลายพึงปฏิบัติด้วยดีในเรือนไฟดังนี้เถิด เดอนไฟนี่พระองค์ทรงอนุญาตไว้เพื่อเป็นที่ย่างกายซึ่งหนาด้วยโทษฉันอาหารประณีตถฉันอาหารประนีตต้องมีโทษมากก็ให้มาย่างกายให้ไขมันมันออกมาเป็นเหงื่อตามคําของหมอชีวโกโกมรพัฒกราบทูลแม้ทุกวันนี้ไม่ใช้เรือนไฟก็พึงปฏิบัติในธรรมเนียมอาบน้ํานั้นเถิดฉันตาคารวัตต่างจบต่อไปในวัดยากุดีวัด ข้อวัดข้อที่สิบในเรื่องของการปฏิบัติห้องน้ําห้องส้วมข้อหนึ่งทรงห้ามไว้ว่าพิสูจน์่ายอุจจระแล้วเมื่อน้ํามีอยู่อย่าพึงไม่ล้างชำระก็คือต้องล้างชำระนั่นเองถ้าเธอใดไม่ชำระเสียด้วยน้ําต้องทุกข์กดถ้ามีน้ําอยู่แต่ที่กระบังไม่มีพึงตักน้ําไปด้วยภาชนะล้างชำระเสียในที่รับเิดถ้าภาชนะไม่มีพึงตักน้ําไปด้วยบาตรอนุญาตบาตรให้ ักน้ําไปล้างก้นได้ถ้าไม่มีภาชนะอื่นแม้บาทไม่มีก็ชื่อว่าไม่มีภาชนะเมื่อคิดว่าที่นี้แจ้งนักไปข้างหน้าน้ําอื่นจักมีอยู่และไปเมื่อไม่ได้น้ําเลยเป็นเวลาจวนจะไปพิคขาจางเสียก็พึงเช็ดเสียด้วยไมย้หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงไปแม้จะฉันหรือว่าทําอนุโมทนาก็ควรให้เช็ดก่อนอย่าให้มันไปส่งกลิ่นคลุ้งในกระแว่บ้า น, นุ้น ข้อหนึ่งทรงห้ามและอนุญาตไว้ว่าในวัดจักรูดีพิกจุยาพึงถ่ายเวทตามลําดับผู้แก่ภรษาถ้าเพอใดไปถ่ายอุจระตามผู้แก่ต้องทุกกฎเราตถาคตอนุญาตให้ไปถ่ายอุจระตามลําดับที่มาใครถึงก่อนก็ถ่ายก่อนไม่ต้องเปรอนิมนต์พระเถระเข้าก่อนนะครับตอนเหตุก็ทําให้พิจุหนุ่มรูปนึ่งรั้นอุจระจนกระทั่งล้มสลบเลย ในวัดจกักรูดีในที่ถ่ายปัสสาวะในท่านา้ำสามสถานที่นี้ลําดับผู้มาถึงก่อนนั่นแหลเป็นประมาณใครถึงก่อนก็ทํากิจใ น, นนั้นก่อนสามที่ด้วยกันก็คือในที่ถ่ายอุจระวัดจกักรูดีที่ถ่ายปัสสาวะอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ท่าน้ําอย่างหนึ่งสามที่ใครถึงก่อนก็ลงอาบ ก, ก่อนใครถึงก่อนก็ปัสสาวะก่อนถ่ายอุจจารก่อนได้ความในวัดจกักรูดีวัดว่า ภิกษุใดไปวัดจุดีเธอนั้นพึงยืนข้างนอกกระแอมไอขึ้นก่อนแม้ภิกษุผู้นั่งข้างในพึงกระแอมไอรับแล้วไม่ต้องไปเรียกใครอยู่ข้างในบ้างมีใครอยู่หรือเปล่าไม่ต้องเลยนะเดี๋ยวไม่ต้องไปเคาะใครกระแอม <c oughs> นี่ก็คุณอยู่ข้างในก็กระแอมรับแลาวก็รู้กันแล้วว่ามีคนอยู่ข้างในก็รอสักพักหนึ่งพึงผ้าจีวรลงบนราวจีวรหรือว่าสายระเดียงแล้วก็ไม่ให้เอาจีวรเข้าไปในห้องตุวม เว่ามันจะเลอะเทอะสมัยนี้ก็สะดวกสบายแต่ว่าเอาเื้อเฟื้พระวินัยก็พาดจีวรไว้ที่สายประเด็นข้างนอกอย่าดวนค่อยๆเข้าไปในวัดจักุดีด้วยดีอย่าเข้าไปให้เร็วพันนะย่าเลิกผานุ่งผ่าไปพึ่งยืนบนเขียงเวทแล้วจึงเลิกพานุง่งยาเบ่งดังอืดๆทอดถอนใจใหญ่พลางถ่ายอุจจระทางอย่าเคี้ยวไม้สีฟันพางในวัดจกดักุดีหรือที่ใช่วัดจักุดี คือจะเป็นที่ถ่ายอุจาระหรือไม่ใช่ที่ถ่ายอุจาระก็ตามเมื่อถ่ายอุจาระห้ามไม่ให้เคี้ยวไม้สีฟันในที่ทั้งปวงเลยสมัยนี้ไม่ได้ใช้ไม้สีฟันใช้แปรงก็คงจะ ค, คล้ายๆล้ายกันในขณะที่ถ่ายอุจาระก็ไม่ควรจะแปรงฟันไปด้วยก็ควรจะมณัิการกรรมฐานความบริกูลอะไรต่างๆอันหนึ่งอย่าถ่ายอุจาระลงนอกรางเวทย่าถ่ายปัสสาวะลงนอกรางปัสสาวะ อย่าบ้วนน้ำลายน้ำมูกน้ำหมากลงในรางปัสสาวะอย่าเช็ดชัมระด้วยไม้คมคือไม้ผ่าไม่ได้เหลาคมแข็งหรือไม้เป็นปมเป็นหนามเป็นโซงไม้ผุเหล่านี้อย่าชัมระแต่ไม่ถือเอาไม้ชัมระเข้าไปในวัดจกุวีไม่เป็นอบัตนะิเพราะว่าล้างเลยก็ได้ถ้าใครไม่เช็ดก่อนก็ล้างเลยอันหนึ่งอย่าทิ้งไม้ชัระลงในหลุมเวท ถายอุจระแล้วพึงยืนบนเขียงเวดปิดผ้าก่อนอย่าออกให้เร็วพลันนะักอย่าเลิกผ้านุ่งออกมาพึงไปยืนที่เขียงชำระแล้วจึงเลิกผ้านุ่งอย่าชำระด้วยน้ำทำเสียงดังจปุูจปุูอย่าให้น้ำเหลืออยู่ในภาชนะน้ำชำระข้อนี้ประสงค์แต่ในที่สาธารณะทั่วไปแก่ภิจษุทั้งปวงด้วยว่าในที่เช่นนั้นพิจูอื่นๆเปลี่ยนกันมา ก็จะเกิดความตังเกียร์ถ้าเหลือน้ำเอาไว้ในภาชนะเพราะเหตุนั้นจึงอย่าให้น้ําเหลืออยู่แต่ที่อันใดเขาทําไว้ในเอกเทศอันหนึง่งในวิหารแม้เป็นของสงเพื่อจะไปถ่ายอุจจาระเนืองนิดหรือเป็นที่วัดจกักรดีของบุคคลในที่เช่นนั้นจะให้น้ําเหลืออยู่ก็ควรก็ไม่เป็นไรยังไม่เป็นอบัติแม้สัญญาถ่ายไปบ่อยๆจะเหลือไว้ควรแท้ อันหนึ่งชมระแล้วพึงยืนบนเขียงชมระปิดปด้วยผ้าถ้าวัดจกุกดีแปดเพื้อนหรืออุจระพึงตักน้ำมาล้างเสียน้ำมีอยู่แต่ภาชนะไม่มีหรือว่าภาชนะมีแต่น้ำไม่มีก็ชื่อว่าไม่มีเมื่อมีมีทั้งสองอย่างชื่อว่าไม่มีแท้พึงเช็ดด้วยไม้หรือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงไปเถอะถ้าจะกล้าไม้ชมระเต็มไสพึงเทเสีย ถ้าวัดจักุูดีหรือที่บริพันต์คือที่แจ้งในที่ร้องข้างนอกวัชจกรูดีหรือบริเวณหรือว่าซุ้มแห่งวัชจกุูดีเหล่านี้แองใดแห่งหนึ่งร้องด้วยหยาบเยือกพึงกวาดแทวเสียถ้าน้ําในหม้อชมระไม่มีไส่ก็พึงตักน้ํำมาไว้นี่แหละเป็นวัดจักุูดีวัดแห่งที่กสูตทั้งหลายติกสูทั้งหลายพึงปฏิบัติด้วยดีในวัดจกักรูดีที่ถ่ายอุจระเถิดวัดจักุูตีวัดตังจบ น, นีนก็เป็นเรื่องของวัดจุฬีเป็นวัดที่สิบวันนี้ก็สมควรแต่เวลาเราขอให้ท่านทั้งหลายเ อ, อื้อเฟือต่อข้อวัดในการที่จะประพฤติเป็นแบบตามพระวินัยข้อวัดนี้ก็เกื้อกูลเกื้อกูลแก่ศีลปิจุ ต, ต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลและวัดนั้นถ้าข้อวัดไม่รักษาไม่ประพฤติศีลก็จะบกพร่องไปด้วยอันก็เ อ, อื้อเฟือทั้งพระวินัยซึ่งเป็นข้อวัดทั้งตัวศีลที่เกื้อกูลแก่ การที่จะอบรมไตรสิกขาเป็นอธิศีลและสิกขาก็าจะทําให้มีจิตสงบตั้งมัน่นเพื่อกูนกับการอบรมวิปัสสนาก็ขอให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมตามคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเอื้อเฟื้อทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็เพื่อกูนกับพระศาสนาเป็นทิฏฐานุกติการชนรุ่นหลังขอให้เจริญงอกงามในธรรมวินยัยจนกรทั้งบรรลุเป็นฆาอริยะในที่สุดด้วยเทิดสาธุ สาธุสาธุ